ภาคพิเศษ <laughs> อันนี้เป็นอะไรนอกโปรแกรมเนาะโปรแกรมเดิมตอนนี้จะต้องทำอะไรเนี่ยถือว่าเป็นการคุยแลกเปลี่ยนกันคลายเครียดไม่รู้จะยิ่งเครียดหรือเปล่าเนาะ <laughs> เอ๊ะเมื่อกี้กขถามเรื่องอะไรนะ คนไหนนั่งถามตัวนี้ถามเรื่องอะไรนะเมื่อกี้น่าจะให้คนอื่นได้ยินด้วยไม่รู้ถามเรื่องอะไรแต่ว่าอาตัตมาตอบอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เอามาใกล้ๆหน่อยดิบะ <c oughs> แล้วเขาถามว่าจะเตรียมตัวหรือเตรียมส่งคนที่ใกล้ชิดเราให้ไปดียังไงสรุป ตามภาษาตามาอย่างนี้นะยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาเป็นอัลไซเมอร์ในช่วงเวลาท้ายๆแล้วอย่างนี้ลำบากนะถ้าไม่เคยฝึกมาก่อนเลยนะอันนี้จะลำบากละคงได้แค่ว่าทำยังไงให้เขาเขาเคยฟังอะไรแล้วมีความสุขก็ให้ ให้เขาฟังสิ่งนั้นอยู่กับงานอะไรแล้วมีความสุขอยู่กับแบบไหนแล้วมีความสบายคงช่วยได้ประมาณเท่านี้เพราะว่าถ้าสมมุติเป็นพ่อพ่อสวดมนต์กันพ่อไม่ชอบอะไปบังคับไปพ่อสวดมนต์แทนที่จะได้บุญกลับได้โทษะอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่คุ้มถ้าเขาอยู่กับสิ่งในสบายสบา ย, บายก็ทําสิ่งนะั้นเพราะว่ามันไม่ทันละ อุปกรณ์คือสมองเนี่ยมันไม่พร้อมพอที่จะมาเรียนอะไรใหม่ๆแค่ของเก่าก็จำไม่ได้แล้วเียมันก็ก็คงได้แค่สร้างบรรยากาศที่มันสบายๆดีๆส่งให้เขาแบบมีความสุขแต่ถ้าถ้าบุคคลนั้นเคยฝึกมาเคยฝึกเจริญสติเคยฝึกสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานมา อาการของอัลไซเมอร์เนี่ยมันแค่จำชื่อคนนี้ไม่ได้จำคนโน้นไม่ได้จำว่าวางอันนี้ตรงไหนจำว่าไอ้ตรงนั้นเาเรียกว่าอะไรจำไม่ได้อัลไซเมอร์คือเสื่อมในด้านสมองจำพวกนี้ไม่ได้แต่ไม่กระทบถึงทักษะในการดูกิเลสเห็ม mm hmm. ไหมเพราะกิเลสไม่ได้อยู่ในสมอง เป็นทักษะในด้านนามธรรมคือสติสติเป็นนามธรรมสติอยู่ตรงไหนบอกได้ไหมอยู่สมองส่วนหน้าส่วนกลางส่วนท้ายหรือโครงกระดูกส่วนไหนไม่มีใช่ไหมสติเป็นนามธรรมเช่นเดียวกับจิตดันั้นฝึกสติขึ้นมาเนี่ยอัลไซเมอร์เกิดขึ้นมาอัลไซเมอร์คือสมองเสื่อมจิตไม่เสื่อมสติไม่เสื่อมเหมือนตอน ครูบาอาจารย์บางท่านอายุมากแล้วสมองเสื่อมลูกศิษย์มาลูกศิษย์มากกราบเนี่ยจำชื่อไม่ได้แต่คุณธรรมไม่เสื่อมอะไรที่เกิดขึ้นท่านก็รู้มีสติรู้มีสติรู้สภาวะที่เกิดขึ้นในใจเราถ้าฝึกเอาไว้ตอนนี้ตอนที่สมองยังไม่เสื่อมต้องรีบทําก่อนจะไปทําตอนใกล้ตาย เกิดอุปกรณ์สําคัญในการฝึกของเราคือสมองตรงนี้นะมันใช้ไม่ได้แล้วนะลำบากก็ได้แต่ลูกหลานก็ได้แต่ประคองประคองไปก่อนนั้นอย่าถ้าสงสารลูกหลานก็อย่าทําความลําบากให้ลูกหลานโดยการฝึกตัวเองซะก่อนมีกิเลสเกิดขึ้นมามีโทสะเกิดขึ้นมาแล้วรู้ทันตัวนี้เรียกว่าสติสมองเสื่อมไปทักษะตัวนี้ไม่เสื่อมด้วย เพราะเวลาพระโสดาบันตายศพเอาไปฝังบ้างเอาไปเผาบ้างสมองก็เน่าเละหนอนกินแต่คุณธรรมของพระโสดาบันเนี่ยถ้าท่านไปเป็นเทวดาโสดาบันก็ยังเป็นโสดาบันไม่เสื่อมไปกับสมองที่เน่าเละตรงนั้นเข้าใจไหมคุณธรรมไม่ได้อยู่ที่สมองอัลไซเมอร์คือสมองเสื่อมไม่ใช่จิตเสื่อม อันนี้คําถามแรกคําถามที่สองคืองั้นตัวผู้ถามล่ะ <c oughs> ควรจะทํำยังไงใช่ไหมผู้ถามก็เมื่อกี้บอกว่าเคยไปฝึกที่นั่นที่นี่เพราะเหตุที่ว่าลูกสมาธิสั้นลูกมาถามว่าสมาธิทํากันยังไงแม่ตอบไม่ได้ก็เลยพาตัวเองไปฝึกเข้าคอร์สแบบหนึง่ง ก็ตัวนี้ขอสรุปว่าคำถามของเขาคืออะไรก็ไม่รู้แต่หมายถึงว่าเขาตั้งเป้าหมายในการฝึกไว้ผิดเขาตั้งเป้าหมายว่าทํอยังไงตอนนั้นทําได้แล้วตอนนี้ทําไม่ได้ตอนนั้นดูลมหายใจทอาอนาปานาปานสติแล้วทาแล้วรู้สึกสงบ แต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วยิ่งมาฟังที่นี่ให้ดูจิตเดินเดินไปแล้วก็ดูจิตมันเป็นยังไงตอนนี้ฉันดูแล้อย่างอนะไรเงี้ยนะงงงงสงสัยจริงๆถ้าตอบซื่อๆเลยรู้ทันความงงที่เกิดขึ้นตอนนั้นใช้ได้เลยมีสติแต่กระบวนการก่อนหน้านั้นเนี่ยจริงๆมันมีมันมีโอกาสที่จะดูอะไรได้ตั้งเยอะเลยในขณะที่เดินเห็น ร่างกายกําลังเดินขณะนั้นมีสติรู้กายถ้าไปเพ่งที่เท้าตอนเดินเนี่ยนะตอนรู้เนี่ยมันไม่ใช่รู้แค่กายเดินนะบ า, บางคนไปเพ่งที่เท้ารู้เท้ารู้เฉพาะเท้าอ่ะรู้เท้าซ้ายก้าวไปเท้าขวาก้าวไปมันก็จิตมันจะไหลไปเพ่งถ้ารู้ทันตอนไหลไปเพ่งที่เท้าก็ใช้ได้เดินเดินไปด้วยความธรรมดาของจิตมัน ชอบหิวอารมณ์เห็นไหมมันชอบคิดนึกเพราะเราถูกฝึกให้คิดเราเกิดมาในยุคที่ขายความคิดกันเราไม่ได้ยุคขายข้าวเออเดี๋ยวนี้เข า, ขายข้าวเหมือนกันเนาะเออไม่ได้ยุคแบบอะไรเกรเรษตรแบบโบราณที่ว่าเป็นยุคกเกษตรกรรมหน้าฝนทำทำนาครั้งหนึ่งว่าจากหน้าฝนก็เล่นเพลงเกี่ยวข้าวอะไรมันปีนึงทำงานทำนาครั้งนึงอะไรย่างเงี้ย มีเวลาว่างมากมันจะมีเวลาที่มันนั่งเพลินๆไม่คิดอะไรได้เพราะว่าไม่จําเป็นต้องมีอะไรคิดนี่นะแต่ยุคของเราเนี่ยเป็นยุคของคนช่างคิดแล้วก็ฝึกให้คิดแถมเอาความคิดนํามาหาเงินได้นี่แลแล้วก็คุ้นเคยกับการคิดมันทนที่จะอยู่นิ่งไม่ได้มันหิวนะถ้าคําสมัยก่อนเนี่ยเข้าจใจว่า จิตมันเสเวย อ, อารมณ์พวกเราจะใช้คำนั้นก็ได้แต่ถ้าตะกิตตะขวงใจว่าฉันไม่ใช่ราชวงศ์ไม่ใช่เกิดในวังจะใช้คำนี้รู้สึกตะกิตตะขวงใจก็ใช้เสพอารมณ์ก็ได้หรือหิวอารมณ์กินอารมณ์เอาอะไรก็ได้งาบอารมณ์ก็ได้คือมันจิตมีสภาวะเป็นปกติที่ว่าจะไปรู้อารมณ์อย่างเงี้ย เพราะนั้นจิตกับอารมณ์จะจะต้องคู่กันเสมอนะจิตเกิดขึนดขน้นมาจะต้องรู้อารมณ์จิตเกิดขึ้นมาจะต้องรู้อารมณ์เพราะฉะนั้นเวลามันรู้แบบนี้แล้วจิตของเรามีปกติที่จะเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวไปเที่ยวมาเนะี่ยจะบังคับให้มันอยู่กับที่เนี่ยมันดิ้นรนจิตมันจะดิ้นรนอาการดิ้นรนมันก็ถ้าเราบังคับเอาไว้อีกมันก็ดิ้นมีเกิดความทุกข์เกิดขึ้นมาถ้าเราไม่บังคับมันหรือบังคับไม่ไหวมันไปซะแล้วเนี่ยนะ ือมันหนีไปมันหนีไปเนี่ยถ้าเราตั้งเป้าหมายว่าทำอย่างไรจิตฉันจึงจะดีทำอย่างไรจิต ฉ, ฉันจึงจะสงบทำอย่างไรจิตฉันจึงจะ